เสียงบรรลือโลกธาตุชาติสิ้นแล้วออกจากวัดป่าสุทาวาสในตัวเมืองสกลนครแล้วท่านก็ย้อนกลับสู่วัดดอยธรรมเจดีอีกครั้งหนึ่งโดยพักอยู่กุฏิกระต๊อบ หลังเล็กๆอยู่บนยอดเขาเป็นกุฏิต่างจากครั้งก่อนที่เคยเกิดปัญหาธรรมพุทธขึ้นในใจระยะนั้นเป็นพรรษาที่16ในชีวิตการบวชของท่านและเป็นปีที่9แห่งการออกปฏิบัติกรรมฐานบนเขาลูกนี้ของคืนเดือนดับแรมส4บ่ําำเดือนห พุทธศักราช2493เวลา5ทุ่มตรงด้วยความอดทนภาคเพียรพยายามติดต่อสืบเนื่องตลอดมานับแต่เริ่มออกปฏิบัติอย่างเต็มเหนียวรวมเวลาถึง9ปีเต็มคืนแห่งความสำเร็จ ระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจของท่านจึงตัดสินกันลงได้ตอนหนึ่งของการแสดงธรรมแก่ภิกษุวัดป่าบัานตาดท่านเมตตาเล่าถึงสภาวะธรรมในคืนนั้นว่า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 ยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจอยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงกับเวทนาส่วนละเอียดภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาสัมผัสสัมพันยุกับอันนี้พิจารณาไปพิจารณามาแต่ก็พึงทราบว่าจุดที่ว่านี้มันยังเป็นสมมุติมันจะสงาพาเผยขนาดไหน ก็สงาพาเผยอยู่ในวงสมมตุติจะสว่างกระจางแจ้งขนาดไหนก็สว่างแจ้งอยู่ในวงสมมตุติเพราะอาวิชายังมีอยู่ในนั้นอวิชานั้นและคือตัวสมมตุติจุดแห่งความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการลุ่มรุ่มดอนดอนตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นจนได้บางที ก็มีลักษณะเศร้าหมองบ้างผ่องใสบ้างทุกบ้างสุขบ้างตามขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ให้ปรากฏพอจะพิรุษได้อยู่นั่นแหละสติปัญญาขั้นนี้เป็นองค์ครัก์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจอกระบอกปืนคือสติปัญญาเข้ามาที่นี่มันไม่จอ มันส่งไปที่อวิชชาหลอกไปโน้นจนได้อวิชชานี้แหลมคมมากไม่มีอะไรแหลมคมมากยิ่งกว่าอาวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายว่าความโลภมันก็หยับหยาบพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายแต่โลกยังพอใจกับโลกคิดดูสิความโกรธก็หยับหยาบโลกยังพอใจโกรธ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 จิตดวงนี้ไม่เป็นที่แน่ใจตายใจได้จึงเกิดความรำพึงขึ้นมาว่าจิตดวงเดียวนี้ทำไมจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวเป็นความเศร้าหมองเดี๋ยวเป็นความของใสเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้ตลอดไปทำไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้ว จึงยังแสดงอาการต่างๆอยู่ได้เพราะสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็พุทธขึ้นมาภายในใจว่าความเศร้าหมองก็ดีความ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้น และเป็นอนัตตาทั้งมวล น, นะเท่านั้นแหละสติปัญญาก็ยังทราบจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่าเป็นสมมติที่ควรปล่อยวางโดยทายเดียวไม่ควรยึดถือเอาไว้ หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวตราอยู่ขณะนั้นผ่านไปครู่เดียวจิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าตางวางตัวเป็นอุเบกขามัทยักไม่กระเพื่อมตัวทำหน้าที่ใดๆในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆไม่จดจ่อกับอะไรไม่เผลอส่งใจไปไหน ปัญญาก็ไม่ทำงานสติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใดขณะจิตสติปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัทยัสนั้นแหลเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเถอนและขาดสะบั้นบรรเลยลงจากบัลลัง์คือใจ กลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ในขณะเดียวกันขับอบวิชาขาดสะบั้นหันแหลกแต่กระจายหายซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกรขณะที่มิ้นฟ้าถล่ม โลกกธาดวันไหวโลกกธาดภายในสแสดงมหาสัรร์บั้นสุดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติกับวิมุด ต, ตัดสินความบนสารสถิตยุติธรรมโดยวิมุดติยาณทัศน์เป็นผู้ตัดสินคู่ความโดยฝ่ายมัชชิมาปฏิปทามัคคอริยสัตเป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิงฝ่ายสมุทไทยอริยสัต เป็นฝ่ายแพ้น็อกแบบหามลงเปลไม่มีทางฟื้นตัวตลอดอนันตการส us ิ Romeo, Romeo, ้นสุดลงแล้วเจ้าตัวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลกอุทานออกมาว่าโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์หนออัศจรรย์หนอแต่ก่อนทมนี้อยู่ที่ไหน แต่ก่อนทานี้อยู่ที่ไหนมาบัดนี้ทรรมแท้ทรรมอัศจรรย์เกินคาดเกินโลกมาเป็นอยู่ที่จิตและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้อย่างไรและแต่ก่อนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกอยู่ที่ไหนมาบัดนี้องสรณะที่แสนอัศจรรย์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตดวงนี้ได้อย่างไร โอ้โหธรรมแท้พุทธแท้สังฆแท้เป็นอย่างนี้หรือ